เรื่องนี้หากใครเคยอยู่บ้านที่มีสวนมีคลองคงนึกภาพออกนะครับย้อนกลับไปเมื่อส7ปีที่แล้วผมไปเรียนอยู่ที่จังหวัดหนึ่งทางภาคตะวันออกโดยไปเช่าบ้านอยู่ใกล้โรงเรียนผมมีเพื่อนอยู่ห้องเดียวกันเป็นรูเมทแชร์ค่าห้องมันเป็นลูกเจ้าของสวนมะม่วงนานๆจะกลับบ้านทีวันหนึ่งทางบ้านส่งโทรเลข บอกว่าให้มันกลับไปเฝ้าบ้านพระพอ่อกับแม่จะไปงานศพที่ต่างจังหวัดและเขาให้ไปบอกน้าชายมันที่ทำงานใกล้ๆโรงเรียนผมมาด้วยเพราะช่วงนี้มะม่วงกำลังออกผลกลัวเขาจะมาขโมยกันเลยชวนผมกับเพื่อนอีกสองคนไปด้วยแบบว่าจะจัดปาร์ตี้ดื่มกินกันนิดหน่อยกลับไปถึงตอนเย็นวันศุกร์ถึงปากทางเข้าบ้าน มันก็จะประมาณทุ่มหนึ่งข้างทางก็จะมีคลองไว้สาหรับให้ชาวบ้านที่อยู่ข้างในสวนลึกๆปายเรือออกมาพวกผมก็พากันเดินกลับเข้าไปถึงบ้านก็พากันอาบน้ำโดยที่ผมอยู่ข้างล่างเพื่อนผมกับน้ามันก็เดินลงมาบอกว่าเห็นเงาใครไม่รู้สองคนเดินอยู่ในสวนสงสัยจะเป็นขโมย น้าแกก็เลยเดินไปหยิบปืนยาของพ่อเพื่อนผมบอกว่าจะไปจับขโมยพวกผมก็เลยอาสาไปด้วยถือไม้ไปคนละอันเดินลออไปตามต้นมะม่วงซึ่งดกมากทั้งเขียวเสวยน้ำดอกไม้พอใกล้ถึงท้ายสวนริมคลองเห็นเป็นร่างคนสองคนยืนคุยกันจับใจความได้ว่านี่ตาแก มะม่วงสวนนี้หวานอร่อยดีนะรู้อย่างนี้ตอนเป็นคนมาขอกินแล้วพวกผมเลยพลวดออกไปน้าแกพูดพร้อมยกปืนขึ้นเฮ้ยใครวะออกมาแกพูดจบไฟฉายที่เพื่อนผมส่องไปเป็นผู้หญิงแก่คนหนึ่งใส่ผ้าถุงขาดขาดมีเลือดตามตัวเต็มไปหมดตาโปนแทบหลุดออกมาจากเบ้า มือแกยืนถือมะม่วงอยู่สองลูกแล้วร่างอีกร่างหนึ่งก็โผล่ออกมาจากต้นมะม่วงแต่เป็นผู้ชายที่ไม่มีหัวกําลังช็อกอยู่มีเสียงดังตุบใกล้ๆร่างนั้นนึกว่าเป็นมะม่วงหันดูพร้อมกันสี่คนกลายเป็นหัวผู้ชายแก่มองมาแล้วทาหน้าบึงบ้งๆพูดว่ากูกับเมียขอกินแค่นี้ไม่ได้หรอวะ <laughs> แล้วร่างนั้นก็ทำท่าก้มลงไปหยิบหัวแต่พวกผมนี่โยนไม้โยนปืนแหกปากวิ่งขึ้นบ้านนาชายเอาสายสินมาพันรอบบ้านพระพุทธรูปวางไว้ตรงหน้าชานบ้านทุกคนมารวมกันสักพักก็ได้ยินเสียงคนเดินรอบบ้านแล้วก็พูดว่าขอกินมะม่วงหน่อยขอกินมะม่วงหน่อยอย่างนี้ทั้งคืน พอเช้ามาพวกผมก็รีบไปวัดเลยพอเล่าเรื่องราวทั้งหมดให้หลวงพ่อฟังก็มีเด็กวัดเล่าให้ฟังว่ามีลุงกับป้าที่บ้านในท้ายสวนในสุดแกชอบพายเรือขึ้นมาซื้อของวันนั้นแกเจอโจรปล้อนที่ท่าไหนไม่รู้ป้าโดนแทงตายส่วนลุงคงต่อสู้เลยโดนฆ่าแล้วก็ตัดหัวศพแกอยู่ในเรือ รอจะไม่ถึงปากทางคนรอรถนิวงแตกกันเลยครับเหตุการณ์นี้ทำให้ผมกับเพื่อนนี่ผมร่วงหัวโขนกันหมดเลยถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับ s c คร b e และกดกระดิ่งเพื่อติดตามเรื่องใหม่ๆด้วยนะครับ